ท่านฟังที่เคารพค่าขณะ น, นี้ท่านกาลังฟังรายการสัมสน์สนทนาค่ะเรากําลังจะไปสู่ช่วงเวลาที่จะได้พบกับพระคุณเจ้าอีกรูปหนึ่งก็คือพระภัยบุ์อภิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศกอุดรธา น, นีนะคะเราไปกราบในมส ก, การท่านในช่วงเวลาที่ชื่อว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธว จ, จนะค่ะนมห ก, การกันทัานคะเช่นพานค่ะทราบว่าวันนี้เราจะมีหลวงพ่อดออรสะอาดท่านเจ้าวาดวัดป่าดอนหายโศ ได้นั่งฟังทำที่เราสนทนากันอยู่ด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะเพื่อฟด้วยก็ถือโอกาสกลาวนวัฒการหลวงพ่อดรสะอาดไปพร้อมๆกันด้วยเลยนะคะยินดีค่ะคอสปฏิบัติธรรมจบแล้วใช่ไหมคะใช่เพิ่งหมดไปเมื่อเร็วๆนี้เองสองสาวันที่ผ่านมาค่ะทันฝั่งที่โครูคราที่วัดป่าดอนไหายโศกนะคะก็จะมีการปฏิบัติธรรมกันอยู่เป็นประจําเลยค่ะใครสนใจที่จะไปหลีกเร้น เรมีพุททวัชนะคอยกำกับก็ติดต่อไปที่นั่นนะคะที่เว็บไซต์ของหล ok วงพ่อด็อกเตอร์สะอาดมใช่ปะคะหลวงพ่อด็อกเตอร์ m อ, อเว็บไซต์หลวงพ่อด็อกเตอร์อมนะคะเดี๋ยวนี้ในในส่วนของการหลิกเรนก็จะไปอยู่ที่เว็บไซต์วัดป่าทั้ไหนโศกอ๋อมีชื่อวัดเลยเหรอคะใช่ก็เป็น WPDHS เป็นชื่อย่อตัวย่อภาษาอังกฤษนะนะคะขออนุญาตจด WPD dhs <H> ดอนหายโศเนี่ยนะ dhs.org ค่ะออ ก, ก็ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเรีกรปฏิบัติต่งตางๆก็ อ, อยู่ที่นี่สามารถที่จะไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเจอไหมคะเนี่ยได้ได้ถูกต้องถูกต้อง ynen, ค่ะท่านเขาวันนี้ที่จะกล่าวเรียนถาม ท, าท่านที่ได้พูดเกินไว้แล้วคือเรื่องอิทธิบาทเสยค่ะมีเพื่อนเขาจะจัด การเสวนาธรรมใน ห, หัวข้อนี้เลยก็เลยคิดว่าเอ๊ะมากลับเรียนถามท่านเผื่อได้แนะนําเขาว่าถ้าจะพูดให้สมบูรณ์แบบควรจะเป็นเช่นไรอิทธิบาทสี่นี่เป็นข้อธรรมที่มีประโยชน์อย่างไรหลหรคะอิทธิบาทตัวของอิธิบาศเองถ้าพูดถึงโดยศัพทไนธิก็คือคือความสามารถพิเศษน้ำบาทก็คือหมายถึงบาดฐานก็คือบาทฐานแห่งความสามารถพิเศษค่ะนะซึ่งความสามารถพิเศษพิเศษตรงนี้ พระเจ้าก็ยกไว้หลายอย่างว่าคุณของอิทธิบาทนี่มีมากเลยอิทธิบาท4ี่นี่ก็ยังเป็นองค์ประกอบที่พระพรุทธเจ้าเนี่ยทาเป็นธรรมะที่พระเจ้าแสดงด้วยปัญญาแย่งด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเวลาเราจะทําอิทธิบาท4เนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบของเขาอิทธิบาทสี่เราจะทําได้ก็ต้องพระเจ้าใช้ภาษาว่าเจริญอิทธิบาทสี่นะซึ่งการจะเจริญอิทธิบาทสี่เนี่ยที่เราเรียนกำลมงเล้กสมัยก่อนใช่ไหมอะไรนะฉันทวิยะจิตตะวิมังสา <c oughs> นะแต่เวลาเจริญจริงจเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบอื่นร่วมด้วย <c oughs> อันแรกพระเจ้าบอกว่าอาศัยทำเครื่องปรุงแต่งนะมีทำเครื่องปรุงแต่งนะอาศัยชันทะนะอาศัยสมาธิมีชันทะเป็นประธานกิจนะบทเพยงชนะเป็นอย่างนี้ฟังอีกครั้งนึง <c oughs> นะมีทำเครื่องปรุงแต่งอาศัยสมาธิมีชันทะเป็นประธานกิจนะจะ พ, พูดพูดหม่เข้ามวาไงนี่หมายความว่าทำเครื่องปรุงแต่งเนี่ยคืออย่างเช่นปัญหาในชีวิตของเรา หรือว่าสิ่งที่เราต้องการอาจจะเป็นเป้าหมายในชีวิตเป็นปัญหาที่เราเจอเจออยู่อย่าง ใ, ใครมีปัญหาครอบครัวตรงนี้เป็นทําเครื่องปรุงแต่งได้คนยังไม่มีปัญหาครอบครัวคุณต้องการตั้งเป้าว่าจะทําอะไรอันนี้เป็นทําเครื่องปรุงแต่งได้ น, ะนคนเกษียณ<ใ>แล้วใช่ไหมคุณต้องตั้งเป้ามีกิจกรรมทํามีโครงการทําตรงนี้เป็นนําเครื่องปรุงแต่งได้คือให้มันมีอะไรทำอันนี้คือทาเครื่องปรุงแต่งแต่ถ้าไม่มีอะไรคุณทำยังไงก็ยกมันขึ้นมาสักอันนึงมีโครงการมีงานออดิเรก ช่วยสอนเป็นอาสาสมัครพวกนี้เป็นทําเครื่องปรุงแต่งได้ทั้งนั้นเลยค่ะทีนี้พอมีทำเครื่องปรุงแต่งแลง้วไงคีคคงงงย์เวิร์ดของพระชาชก็คือว่ามีสมาธิอาศัยฉ<ช>ันทะเป็นประธานกิจมีสมาธิอาศัยฉันทะเป็นประธานกิจหมายความว่าอะไรหมายความว่ามีสมาธินะต้องมีสมาธิต้องมีสมาธิยังไงคุณต้องมีสมาธิอย่างเวลาเราไปพูดที่ททททชุมชนอย่างเงี้ยคุณโยมติวประชุมคุณโยมติวพูดใส่ไมโครโฟนพวกนี้ ถ้าจิตเราไม่มีกําลังก็แปลว่าจิตเราไม่เป็นหนึ่งอ่ะเราไม่ต้องพูดถึงสมาธิขั้นลึกซึ่งเห็นอะไรระเบิดตู้มตาม้าอย่างเงี้ยไม่ใช่นะไม่ต้องเห็นอะไรนาโคกก็ได้เอาแค่ว่าจุดจิตคุณนิ่งเป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งในเรื่องที่คุณกำลังพูดอยู่แค่นี้นั่นคือสมาธิละนะะอย่างเราจะปลูกต้นไม้เราจะทํำแค่กวาดบ้านอย่างเงี้ยถ้าจิตเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวในคุณเดินตกไอ้บันไดบ้านแล้วคเนาะ เั้นชื่อว่าเราก็มีสมาธิระดับหนึ่งระดับ <Okay. S 1> ที่จะทํางานนั้นให้มันสําเร็จลุล่วงไปได้เนาะ <Okay. S 1> แล้วก็อาศัยฉันทะเป็นประธานกิจเนี่ยตรงนี้สําคัญว่าเราจะเจริญฉันทะในงานเนี่ยเราทําได้ด้วยต้องมีสมาธิเป็นตัวเชื่อม <Okay. S 1> นะฉันทะคือความพอใจในการงานนั้น <Okay. S 1> นะในการงานที่เราจะต้องทําตรงนี้มีประเด็นตรงนี้ด้วยว่าคือบางคนอยากสมมติตั้งเป้าไปมีทาเครื่องปรุงแต่งคืองเงินสักหมื่นล้าน ค่ะดเงินหมื่นล้านเป็นทำเครื่องปรุงปรงแต่งไป็นต้นนะถ้าคุณมีทําเครื่องปรุงแต่งตัวนี้มาดูในกระเป๋ามันมีไม่กี่พันเองโอมันจะหายเลขศูนย์หายไปหลายร้อยตัวแล้วเกินก็เลยมีความกังวลแล้วก็มีความเครียดมีความกังวลฉันจะทําได้ยังไงเอาโกงแล้วกันโอ้โหไปคนละเรื่องเลยแสดงว่าเวลาความคิดที่ว่ากังวลเครียดแล้วก็โกงแล้วกันเนี่ยจิตคุณไม่ใช่สมาธิแล้วอันนี้ไม่ใช่สัมมาสมาธิละเป็นวิจฉาสมาธิเป็นต้นคเพราะฉะนั้นพอเราเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ย เราก็จะทําไม่ได้ประเด็นก็คือว่า เ, อาเวลาที่เราเราดูสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันของเรานะปัจจุบันคุณเป็นยังไงเนี่ยให้คุณต้องมีความพอใจในปัจจุบันไม่ใช่ว่าคือบางคนบอกว่ า, อาพอใจพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ก็เลยไม่คิดที่จะมีทําเครื่องปรุงแต่งใดๆอันนี้คนละประเด็นนะคุณมีทำเครื่องปรุงแต่งต้องมีไหมมีนะคุณต้องตังต้วเป้าหมายนี้ใช่ไหมมีแต่ว่าต้องพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่นั่นคือพอใจคอนเทนต์ภาษาป ร, าปรบริชาบอกสันโดษ สันโดษนี่หมายถึงว่าไม่ใช่ไม่ไม่ทำอะไรเลยนะแต่สันโดษพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่นะคุณมีเงินกี่พันมีเงินกี่แสนคุณพอใจตรงนั้นพอใจก็คือว่าไม่เป็นทุกข์ในสิ่งที่เรามีเพราะว่าเป็นทุกข์ในสิ่งที่เราไม่มีคุณต้องการเงินร้อยล้านพันล้านคุณก็เป็นทุกข์ในสิ่งที่คุณยังไม่มีเลยกลับมาเป็นทุกข์ในสิ่งที่เรามีคือเงินไม่กี่แสนอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ถูก <Okay. S 1> เราจึงต้องมีความสันโดษเพราะฉะนั้นสันโดษกับชันทะ สันโดษกับอิธิบาทสีคุณต้องใช้ด้วยกันด้วยนะอืออ่าย่างคนแก่อเนี้ยถ้าเขาไม่รับว่าฉันผมหงอกชันฟันหลุดชั้นหนังเหี่ยวนะฉันมีความสิ้นไปสิ้นแปอ่าอายุฉันป่วยคุณจะยิ่งเป็นทุกข์มากเลยมันไม่ใช่แค่ทุกข์เรื่องกายธรรมดายังเป็นคนขี้บ่นจู้จี้จุกจิกเห็นลูกนันก็จิกเขาด่าเขากลายเป็นโรคประสาทไปอีกคซึ่งต้องระวังสันโดษตรงนี้สําคัญในเรื่องของความที่เรารู้ตัวเราเราแก่แล้วเราก็ต้อง ทำไปด้วยพอใจ <Okay. S 1> ในสิ่งนี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะอันนี้คือเราอยู่ในหมวดของฉันทะวิธีเจริญฉันทะทำอย่างนี้ต้องมีทำเครื่องปรุงแต่งอาศัยทอาอาศัยสมาธิมีฉันทะเป็นประธานกิจ <Okay. S 1> ก็เลยแตกรูปไปเรื่องของสันโดดด้วย <Okay. S 1> ออทีนี้ขาต่อมานี่คือขาที่1แต่ละขานี่ต้องมี3ส่วนนะ <Okay. S 1> คือทำเครื่องปรุงแต่งสมาธิฉันทะนี่คือ3ขาประกอบเป็นส่วนที่1นึ่งกุญแอยู่ได้ละ <Okay. S 2> ขาที่2ขาที่2คือหมายถึงเอาพูดหม่ยดีกว่าส่วนแรกเนี่ยต้องมีสามขาส่วนชันท่าเนี่ยต้องมีทั้งทาเครื่องปรุงแต่งมีตัวชันทะเองมีสมาธิสาขานี้ทําให้การเจริญชันทะตั้งอยู่ได <Okay. S 2> นะ้ส่วนที่2การเจริญวิญทยาถ้าทำยังไงก็เหมือนกันนะต้องมีทําเครื่องปรุงแต่งมีสมาธิอาศัยวิริยะเป็นประธานกิจประธานกิจนี่คือหมายถึงว่าเป็นหลักในการทํากิจนั้นนะ <Okay. S 2> ก็ต้องพูด <Okay. S 2> ถึงสันโดษอเหมือนกัน นะคุณพยายามทำความเพียรในการดูแลต้นไม้นะถ้าใครทำ ง, งานได้เดรัจฉ์ชาวนาก็ไปหวานข้าวเกี่ยวข้าวดำข้าวนะเขาก็ทำความเพียรนะก็ต้องถ้าผมว่าเขาไม่พอใจในสิ่งที่เขามีอยู่ไม่รู้จักสันโดษเขาก็จะเครียดกับสิ่งที่เขามีเครียดกับสิ่งที่เขาไม่มีนั่นคือทำเครื่องปรุงแต่งอย่างเงี้ยก็จะไม่ถูกเแล้วสันโดษก็ต้องมาด้วยกันด้วยเราถึงจ ะ, จ ะ, จะเจริญวิริยะนะหมายถึงคุณต้องมีทำเครื่องปรุงแต่งจ ะ, จะเจริญวิริยะได้คุณต้องมี3ามขานะ นั่นคือทำเครื่องปรุงแตง่งสมาธิแล้วก็เจ้าตัววิริยะเองนะจะประกอบ3ามขาของส่วนที่สองอส่วนที่3ก็เหมือนกันนะคือจิตตะคือการเอาใจใสนะ่เอาใจใส่อยู่เรื่อยๆอสอดส่อเอาใจใส่คิดถึงเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆนะอย่างผู้เช่าเคยยกตัวอย่างชาวนักธุรกิจเนี่ยที่ต้องการได้ผลกําไรเนี่ยเขาจะต้องทํากิจการงานอย่างดีที่สุดเช้ากลางวันเย็นเช่นะชเดียวกันเปรียบเทียกบกับคุณต้องการมีเงินมาก ต้งเป้าตั้งเป้าอะไรไว้สักอย่างได้อย่างหนึง่งนะคุณทําตลอดไหมนะ่ะเชา้ากลางวันเย็นคิดถึงเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆนั่นคือจิตตานั่นเอง <Okay. S 1> จิตตะก็คือการที่เอาใจใส่นะสอดส่องดูแลคิดถึงบ่อยๆนะี่พวกนี้คือจิตตากะ <Okay. S 1> แล้วก็อย่าลืมนะ่ะทำเครื่องปรุงแต่งมีสมาธิอาศัยจิตตากเป็นประธานกิจ <Okay. S 1> นะ่ะคุณคิดถึงบ่อยๆไม่ใช่ไปคิดแล้วก็เครียดว่าฉันยังไม่มีฉันยังไม่ได้ฉันเปลีป่ยนแปลงไ ป, ป, ปแล้วไม่ใช่คุณต้องสันโดษนะ สัน <Standard S 2> <Okay. S 1> เดอรก็ต้องคอยกำกับเอาไว้นะอันนั้นคือคือส่วนที่3ต้องมีสามขาเหมือนกันทีนี้ส่วนที่4ี่คือวิมังษานะ <Okay. S 1> ก็ต้องมี3ามขาเหมือนกันนั่นคือทำเครื่องปรุงแต่งสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราตั้งเป้าเอาไว้ปัญหาที่เราจะเจอนั่คือทำเครื่องปรุงแตง่งมีสมาธิด้วยนะนะต้องมีสมาธิแล้วก็อาศัยวิมังษาเ ป, เป็นประธานกิจวิมังษาวิมังษา ก, ก็ูภาษาไทยง่ายๆก็คือว่าการที่จะพยายามที่จะพัฒนาปรับปรุงให้มันดีขึ้น <Okay. S 2> การพัฒนาปรับปรุงตรงนี้แหละคือวิมังษาคือบางทีเทคโนโลยีใหม่ๆมันออกมาเราก็หามาปรับใช้ได้วิธีการใหม่ๆมีขึ้นคุณมีความคิดสร้างสารรค์โผล่ขึ้นมาเอาคุณปรับใช้งานของเราจะเร็วขึ้นใกล้ เ, เสร็จเร็วขึ้นมีความสะดวกสบายมากขึ้นนั่นคือวิมังษา <Okay. S 2> คนคนอายุมากบางคนเนี่ยคุณผูมติวทำอะไรช้าช้าอมามองเห็นก็คิดออสงสัยเขาคิดว่าเขามีเวลาหมดทั้งโลกอยู่กับเขา ซึ่งจริงๆเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะความที่แก่ทําให้มั น, มนทําช้าแต่ถ้าเรามีชีวิตอยู่ด้วยความที่มีสติอยู่ตลอดเวลาจะช้าจะเร็วไม่มีปัญหาเลยน ะ, ะ, ะเพราะฉะนั้นวิมังษาตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่ทําให้เราคิดอานการงานออกนะแก้ไขปัญหาได้แล้วก็ตัวที่คอยพัฒนาปรับปรุงงานของเราให้ดีขึ้นคุณคยมติวเห็นอย่างหนึ่งไหมในการฌาณิทิบาสีเนี่ยนะสิ่งที่สําคัญมากเลยนอกจากไอเป้าหมายที่เราตั้งไว้เนี่ย นั่นคือสมาธิค่ะเนยิ่งถ้าเรามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เท่าไหร่เนี่ยสมาธิจิตคุณต้องยิ่งตั้งมันมากค่ะมีคนเข้ามากลรอกหูบอกไม่ได้เรากทำอย่างนี้ไม่ได้หรอกอา้าวจิตคุณเคว้แล้วนะถ้าคุณไม่มีสมาธินะ่ะคุณก็จะไหลไปตามสิ่งที่เขาพูดมาวางนั้นนะค่ะดังนั้นถ้าลำพังอิทธิบาทสี่ในความเข้าใจแบบเด็กๆที่เรียนหนังสือมาเขาให้ท่องว่าเป็นธรรม เพื่อที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จอืมเราก็ต้องมาทําความเข้าใจใหม่ว่าพระพุทธเจ้าอธิบายไว้ว่าอิทธิเป็นความสามารถพิเศษนะคะบาศีหรือบาศฐานแห่งความสามารถพิเศษจะทําในสิ่งที่พิเศษพิเศษสิ่งที่ยิ่งเนี่ยสําเร็จได้ใช้ทํานี้ได้ถูกต้องและธรรมนี้ไม่ใช่ลําทางตัวของเขาเองจะประสบความสําเร็จ คือคือลําพังตัวเขาเองคือสี่ข้อนี่ต้องใช้ร่วมกันถูกไหมคะฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาในเรื่องที่เราเป็นความสามารถพิเศษอันยิ่งและอยากจะประสบความสําเร็จแต่ในแต่ละรรมยังจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบที่เป็นสูตรสําเร็จแบบเดียวกันก็คือต้องมีธรรมะเป็นเครื่องปรุงแต่งฉันขอยกตัวอย่างเอาอย่างหนึ่งเลยนะคะสมมุติว่าเราอยากจะ ขายขายของนะคะขาย mm hmm. ไอศครีมยี่ห้อนี้ mm hmm. ให้ประสบความสาเร็จเรากาลังคิดปรุงปรุงไอศครีมของเรายี่ห้อใหม่ให้ประสบความสาเร็จให้ขายดีที่สุดเลยเรามีความถรามาเป็นเครื่องปรุงแต่งและอยากจะเป็นคนที่ประสบความสาเร็จในการทำไอศครีมใช่ได้มีมีชันทะามีความพอใจแต่ในขณะนั้นความพอใจของเราก็ต้อง เป็นความพอใจด้วยจิตอันนิ่งอย่างนั้นหรป่คะถูกต้องนะคะัะนดับแรกคือเราต้องมีความพอใจในที่เรามีอยู่นั่นคือสันโดษสันโดษค่ะแล้วก็พอมาถึงวิริยะก็ต้องภาคเพียรคิดสูตรไอศครีมโดยมีธรรมะที่เป็นเครื่องปรุงแต่งในส่วนวิริยะนี้คือคืออะไรกับ้างคะทเครื่องปรุงแต่งในส่วนวิริยะก็คือความที่เราต้องการขายไอศครีมได้มากไง นั่นคืเหมือนกันเหมือนกันในสิ่อย่างอ๋เอเป็นตัวตั้งเดิมใช่ตัวตั้งเดิมแต่มามีความเพียรเพิ่มถูกต้องทำความ<ล>เพียรในความเพียรต้องมีต้องมีสันโดษ ด, ด้วย อ, อถูกต้องแต่ละอันต้องมีสันโดษอยู่ค่ะสันโดษเนี่ยคือมาเพื่อนที่จะให้เราไม่เป็นทุกข์ในสิ่งที่เรามีอยู่อ๋อเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าถ้าพูดถึงหลักๆจะทําเรื่องอะไรให้มีชันทะคือความพอใจมีวิริยะคือความเพียร มีจิตตะคือความเอาใจใส่จริงจังใช่นะคะแล้ววิมังสาพัฒนาปรับปรุงอยู่ถูกต้องและสี่ตัวนี้ต้องมีองค์ประกอบคือมีธรรมะเครื่องปรุงแต่งคือโจทย์ของเราถูกต้องนะคะแล้วก็บวกด้วยสมาธิถูกต้องคือจิตที่แน่วแน่ตั้งมั่นและสุดท้ายก็คือองค์ประกอบของธรรมทั้งปวงเนี่ยผนวกเข้าไปโดยตั้งอยู่บนความสันโดษใช่สันโดสนี่จะเป็นตัวที่ให้เราไม่ทุกข์มากในขณะที่เรายังไม่ได้อเคค่ะก็เป็นเพิ่มเติมขึ้นมาบางท่น อันนี้เป็นพระพุธองคัดไว้ในหัวข้อธรรมที่ชื่ออิธิบาสีหรือเปล่าคะ่ะเออสันโดรเนี่ยแยกกันพูดแยกกันอยู่คนละที่อ๋อค่ะพูดแยกกันอยู่คนละที่จะมามาพูดตรงนี้ด้วยเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนเครียดกับงานที่ตัวเองทำํำแล้วเครียดกับสิ่งที่เรงไม่มีก็จึงต้องพูดตรงนี้โดยเฉพาะคนแก่อย่างเงี้ยไม่อยากได้ความแก่ไปเครียดอย่างเงี้ยก็ก็จะไม่ถูกก็ต้องพูดถึงความสันโดรตรงนี้ะ น, นะคะอนะคเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้เข้าใจกันให้ถูกต้องว่าลําพังสี่อย่างนั้น ถ้าจะให้สมบูรณ์เพื่อความสามารถอันพิเศษก็ใช้ปัญญาของพระพุทธองค์ให้รอบด้านเติมเอารายละเอียดปลีกย่อยเข้าไปน่าสนใจมากเลยนะคะใช่เพราะว่าดิฉันจำได้ว่าท่านเนี่ยเคยพูดไว้แต่ดิฉันเองเนี่ยพอมานั่งใครครวนเองความที่นะคะก็ต้องบอกว่าปัญญาตัวเองยังมีข้อจำกัดอยู่ก็ <c oughs> <c oughs> จึงต้องต้องมาขอเพิ่มจากท่านท่านฟั ง, ฟงที่เคารพค่ะดิฉันคิดว่า ในการดำเนินชีวิตเนี่ยเราจะมีสิ่งที่เรามีความปรารถนาในลักษณะที่เป็นความสามารถพิเศษคือมันเป็นสิ่งที่เรายังไม่เคยทำได้เนี่ยอยู่เป็นประจำเสมอๆหรือว่าเป็นความคาดหวังจากคนที่เขาอยากได้จากตัวเราแล้วเราก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เราต้องตอบสนองเช่นในการทำงานด้วยนะคะก็ต้องทำใจให้พอใจก่อนนะคะเ <Yeah. S 1> นื่องจาปราศจากข้อแรกไม่ข้ออื่นๆมันเป็นไปไม่ได้เลยมั้งคะ เอ่อพูดถึงเราเราตั้งอะไรไว้เนี่ยเราก็ตั้งได้เราก็ค่อยๆปรับเอาวิมังสาที่จะเป็นตัวที่ปรับว่าจะเอาธรรมะอะไรอะไรมาใช้ได้ค่ะท่านครแล้วสมมุตินะคะในกรณีเป็นเรื่องที่มันไม่อาจประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวเราคนเดียวต้องการความร่วมมือของคนอื่นจะต้องพนวกข้อธรรมอะไรเข้าไปด้วยไหมคะอันนี้เราก็จะต้องมีเอ่อเป็นผู้รู้เหตุรู้ผลรู้จักบริษัทในรู้จักบริษัทก็จะเป็นธรรมะของสัม บ, บรุษ สับดุลคือคนดีต้องมีการรู้จักบริษัทด้วยหมายความว่าอะไรคะรู้จักบริษัทรู้จักบริษัทคือหมู่คณะไงหมู่คนคนนั้นถ้าเราต้องการความรู้จากเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรไหมเขาจะทํำยังไงไหมแล้วก็เขาจะมีผลกระทบยังไงพอเรารู้ตรงนี้ก็สื่อสารการคุยกันให้ถูกรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักบริษัทรู้จักบริษัทตรงนี้แหละก็คือจุดเนี้ยบริษัทคือหมายถึงกลุ่มคนอื่นๆที่นอกจากตัวเรานะ อ๋ค่ะนะคะนั่นก็น่าจะเพียงพอสำหรับที่จะให้ท่านทั้งหลายได้นำไปใช้ประโยชน์ที่นี่ในกรณีคนที่เกษียณอายุเนี่ยจะใช้ทำข้อนี้ได้ไหมคะใช่ถูกต้องอิทธิบาทสี่เนี่ยบูชาบอกว่าถ้าใครจเจริญแล้วเนี่ยก็จะไม่มีชีวิตอยู่ได้ถึงหนึ่งกับหนึ่งกับในที่นี้ก็คือช่วงชีวิตของบุคคลคนนั้น น, นะนะค่ะอา่าซึ่งถ้าเรามีอายุขยสมมติเราอายุขยสักเก้าสิบปี เราก็อยู่ได้90สิปีเต็มถ้าเรามีอายุขัยร้อยปีเราอยู่ได้ร้อยปีเต็มคือมันจะไม่เบื่อหน่ายแล้วก็ตายไปก่อนเงี้ยถ้าเป็นบทเพลงชนะเต็มๆเมื่อสักครู่นี้ว่ายังไงนะคะถ้าเจริญอิทธิบาทสี่แล้วผู้เจ้าบอกว่าอิทธิบาทสี่เนี่ยจะทําให้มีชีวิตอยู่ได้หนึ่งกับบุคคลใดที่เจริญอิทธิบาทสีแล้วเนี่ยก็จะทําให้มีชีวิตอยู่ได้หนึ่งกับกับก็คือช่วงชีวิตของเขาเหมือนกัน ะะวันนี้เราก็ได้ประโยชน์กันอย่างเต็มที่เลยทุกคนก็ใช้ได้คนที่กําลังจเกษียณกันยานี้ก็นําไปใช้ได้แลนะกล่าบนพัธ ก, การขอบพระคุณท่านเพบูลเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเชิญฟังที่รครับและนี้ก็เปิดค่ะสำหรับรายการสามัสมมนาสนทนาคงต้องบอกว่าอีกสัปดาห์หนึ่งเพราะว่าเราจัดจันทร์ถึงศุกร์และสําหรับท่านเพริบูลท่านก็มีรายการทุกวันเลยนะคะเพียงแต่ว่าต้องย้ายที่ไปฟังที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเวลาเดียวกันนี้ท่านฟังค่ะสําหรับรายการของเรา เสาธิดาหยุดค่ะจะกลับมาพบกันใหม่ในวันจันเวลาเดิมวันนี้เราก็ไปทบทวนตัวเราเองดูซิว่าเรามีความต้องการในชีวิตที่เป็นสิ่งพิเศษเป็นธรรมที่เป็นเครื่องปรุงแต่งอะไรตั้งโจทย์ขึ้นมาแล้วเราลองดูนะคะว่าเราจะปฏิบัติโดยใช้ธรรมอิทธิบาทสี่สำเร็จรุ่วงหรือไม่ดี่ฉันเคยทำหนึ่งโปรเจกต์สาเร็จไปแล้วเอาไว้โอกาสหน้ามาถ้ามีนะคะจะมาเล่าให้ฟังกันละกันวันนี้ขอขอบคุณทุทกๆท่านนะคะ ขอให้ผู้โทษชนะที่ท่านนำไปปฏิบัตินั้นคุ้มครองท่านให้พบกับความสสดีแห่งชีวิตค่ะผู้โทษสวัสดีค่ะ